เพราะฉะนั้นก็จะได้ขึ้นกันที่6เนี่ยนะเขาเรียกว่าจุลพลเนี่ยนะจุละนี่แปลว่าน้อยพลเนี่ยนะก็มาจากวันนะจุลพลก็แปลว่าป่าน้อยๆเนี่ยนะป่าน้อยนี่หมายถึงว่าในพรานเจตบุตรเล่าถึงป่าบรรยากาศที่อยู่ของพระเวสสันดรแบบน้อยถ้าส่วนมหาพลนี่เขาเรียกว่าป่าใหญ่ป่าใหญ่หมายถึงการพูดถึงสถานที่อยู่ของพระเวสสันดรแบบกว้างขวาง ทีนี้ก็พูดถึงในพรานเจตบุตรเนี่ยนะก็ให้พรามชูชกบริโภคแล้วก็ให้กระบอกน้ำพึ่งให้ขาเนื้อย่างแก่ชูชกเพื่อเป็นสเสบียงเดินทางแล้วก็ยืนอยู่ที่หนทางยกมือเบื้องขวาขึ้นจะแจ้งโอกาสเป็นที่ประทับอยู่แห่งพระเวสสันดรโพธิสัตว์เนี่ยนะก็บอกถึงสถานที่อยู่ว่าดูก่อนมาหาพรามเนี่ยนะ เรียกเรียกมหาพรามเลยนะเพราะว่าเป็นทูตใช่ไหมจะไปเชิญพระเวสสันดรกลับเนี่ยก็เลยเรียกชื่อให้เกียรติมากว่ามหาพรามฟังกันบอกนั่นภูเขาคันธมาศล้วนแล้วไปด้วยศิลาผูเา้าเขานี่มีแต่หินอ่ะนะซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชาเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัสสีราชาเทวีพระชาลีกันหาชินาทรงเพศบรรปชิตอันประเสริฐและขอสําหรับสอยพระลาผลเนี่ยนะมีเขามีขออันหนึ่งอ่ะนะไว้สอยผลมไม้เขาเรียกอะไรนะ ที่ที่สอยแล้วไม่ให้มันตกมาถึงพื้นนะมันก็รองนะคร้ตะก้นะก็สอยขึ้นไปนะี่มก็เก็บลงมานะไม่ให้มันตกลงพื้นอนะ่ะเนาะแล้วก็มีภาชนะสําหรับในการบูชาเพลิงก็คือพระเวสสันดรนั้นเจริญเตโชกสิิ์ด้วยนั่นเองเนี่ยนะก็ไปเจริญกสิล์พร้อมทั้งฉดานหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินนมัสการเพลิงทิวไม้นี่เขียวนั้นก็ทรงผลต่างๆ แสดงว่าแถบนั้นนี่ผลไม้สมบูรณ์แล้วก็ภูผาเนี่ยสูงยอดเนี่ยนะสูงยอดเสียดเมฆเขียวชฉอม น, น, นั่นแลเป็นเหล่าอันชนะภูผาเห็นปรากฏอยู่นั่นเหล่าไม้แต่แบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะเคราะห์เทาย่างสายอ่อนไว้ไปตามลมเหมือนมานกดื่มสุราครั้งแรกแล้วก็โซเซฉะนั้นนะเขพูดถึงเด็กๆด็ ก, เ ด, กเด็กแรกรุ่นมันดื่มเหล้าครั้งแรกนี่เมานี่มันเดินเอียงกระเทยหน้าดูเลย อันนี้ก็เหมือนกันนะต้นไม้เนี่ยถ้าลมพัดมาทีนี่ก็โอ้โไปหมดเลยเหล่านกพรดกนกดูเเาส่งเสียงร้องบนกิ่งต้นไม้ฟังเสียงดุดสังคีตะโผบินจากต้นนั้นสู่ต้นนี้นะถ้าอย่างนี้นะไปอยู่ที่ลานานานี่ก็พัฒนาได้ทั้งวันเลยไงี้กิ่งไม้และใบไม้ทั้งหลายอันลมเนี่ยให้วันไว้แล้วก็เสียดสีกันเนี่ยนะดังจะชวนบุคคลผู้ผ่านไปมาให้ยินดี แล้วก็ยังบุคคลผู้อยู่ในที่นั้นให้เพลิดเพลินซึ่งเป็นที่ประทับแห่งพระราชาเวสันดรพร้อมด้วยพระมัสีราชไทยวีทั้งพระชาลีและพระกัญหาชินาทรงเพศบรนประชิตอันประเสริฐก็ถือเป็นนักบวช น, นะและขอสําหรับสอยพลาผลภาชนะสําหรับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้งชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรงบรรทมเนื้อแผ่นดินนมัสการเพลิงอันนี้เป็นคําของในพรานเจตบุตรเล่าถึงสถานที่อยู่ของ พระเวสสันดรเนียนะแล้วก็ยังกล่าวอีกต่อไปว่าในบริเวณอาสมนั้นมีหมู่ไม้มะม่วงมะขิดขนุนไม้รังไม่ว่าสมอพี่เพกสมอไทยมะขามป้อมเนีย่ยนะไม้โพผู้สามะพรับทองไม้ใสไม้มะสังไม้มะสางมีรสหวานแล้วก็งามรุ่งเรืองและผลมาเดือสุกอยู่ในที่ต่ำทั้งกล้วยงาชาง้างเนี่ยนะกล้วยงาช้างกล้วยตระกูลกล้วยหอมหรือว่า น, นะกล้วยงาชาง้างกันนะงาช้างมันงอนงอนขึ้นใช่ห นั่นหละไหวกล้วยหอมมันจมีกล้วยหอมผลจันทร์มีรสหวานเหมือนน้าพึ่งนะทั้งในป่านั้นก็มีรวงพึ่งไม่มีตัวที่คนถือเอาบริโภคได้เองอันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นมีดงมะม่วงนะนะตั้งอยู่บนต้นเนี่ยนะกำลังออกช่อบางต้นมีผลเป็นหัวมแมลงวันก็คือหัวลูกออกเล็กๆนะนะบางต้นก็มีผลหามเป็นปากตะกร้อบางต้นก็มีผลสุกทั้งสองอย่างนั้นมี สีเหมือนกับหลังกบอันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นบุรุษยืนอยู่ใต้ต้นก็เก็บมะม่วงสุกเนี่ยกินได้ผลมะม่วงดิบและสุกทั้งหลายมีสีสวยกลิ่นหอมรสอร่อยที่สุดเห็นไหมพูดอย่างนี้เอ๊ะมันถ้าคนแปดริ้วก็บอกว่ามันจะอร่อยเท่ากับมะม่วงของเขาหรือเปล่าเนี่นยนะมะม่วงของแปดริวว้วเขาชื่อเสียงอะไรน ะ, ะน้ําดอกไม้เนี่นยนะผมก็มาน่าจะไปกินตอนดิบกัแล้วกันเนี่ยเปรี้ยวสุดเหมือนกัน มันเหตุการณ์เหล่านี้เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ข้าพเจ้าเหลือเกินเนี่ยนะแสดงว่าป่าที่อยู่พระเวสสันดรเนี่ยนะรื่นรมมากขนาดนายพรานเองยังชมเลยนะมักแม่ที่นี้ดีมากครัข้าพเจ้าถึงกับเก่งอุทานบ อ, อกว่า อ, อที่ประทับของพระเวสสันดรนั้นเหมือนที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายงดงามปานนันทวันณ่างนะั้นนะสวยมากมีหมูตานมะพร้าวและอินทพผลัมในป่าใหญ่ราวกับระเบียบดอกไม้ซึ่งช่างร้อยกรองเอาไว้ปรากฏเหมือนยอดธง วิจิตด้วยปุพชาติมีสีต่างๆเหมือนกับดาวเรือเรืองอยู่ในนภาอากาศกว่าดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยดูแล้วเหมือนกับดูดาวว่างั้นและมีไม้มูกมันโกดสคานและแครอฟอบุญนาคเนี่ยนะและบุญนาคเขาและทองหลางมีดอกบานสะพังอันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นมีไม้ราชพฤกษ์ไม้มะเกลือกฤิณนารักดำมีก็มีมากต้นไยใหญ่ต้นไม้รกฟ้าไม้ปะดู มีดอกบานสะพังในบริเวณอาสมนั้นก็มีไม้อันชันเขียวไม้สนไม้กระทุ่มขนุนสมะล อ, อยังมีไม้ตะแบกเนี่ยนะไม้รังร่วนแต่มีดอกพุ่มคล้ายหลอมฟางแล้วก็ในที่ไม่ไกลอาสมนั้นก็มีสะโบกคารณีนาภูมีภาพที่น่าเรื่นรมดาระดาดไปด้วยปทุมและอุบลดุจในนันทวันอุทยานของเหล่าทวยเทพเชนั้น ใครที่ชอบชมนกชมไม้นี่ก็อ่อานพระเวศสันดอนแล้วก็เพลินอลยนะก็มีแต่เรื่องนกเรื่องไม้นี่แหละอันหนึ่งที่สระบกขรณีนั้นก็มีฝูงนกดว่วนเมารสปุบชาติส่งเสียงไพเราะจับใจเลยนะเรียกว่ากินดอกไม้ชิมแล้วเมาเลยนะแล้วก็ทำป่านั้นให้เอื้ออึงกึกก้องแล้วก็ยังในเมื่อหมู่ไม้เนี่ยผลิดอกแย้มบานในตามฤดูกาลรสหวานเหมือนน้าผึ้ง ร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้มาข้างอยู่ในใบบัวเรียกว่าโบกครามทุเนี่ยนะน้ำพึ่งในใบบัวเขาเรียกว่าขันดสกอรเนี่ยนะอันหนึ่งลมทางทิศทักษิณและทิศประจิมเนี่ยนะลมใต้ลมเหนือเนี่ยพัดมาที่อาสมนั้นอาสมเป็นสถานที่เกลื่อนกล่นไปด้วยละอองเกสรปฐมชาติในสะโบกครณีที่มีกระจับใหญ่ๆทั้งข้าวสาลีร่วงณภูมิภาค เหล่าปูในสระนั้นก็มีมากทั้งมัดฉาชาติและเต่าก็ไหว้ไปตามกันเนี่ยนะเห็นปรากฏในเมื่อเงาบัวแตกน้ำหวานก็ไหลออกเหมือนกับนมสดและเนยใสไหลออกจากเงาบัวฉะนั้นวนาประเทศนั้นฟุ้งไปด้วยกลิ่นต่างๆหอมตลบวนาประเทศนั้นเหมือนจะชวนเชิญเนี่ยนะชนผู้ไปถึงแล้วให้ยินดีด้วยดอกไม้และกิ่งไม้ที่มีกลิ่นหอมพึ่งทั้งหลายก็ร้องตอมอยู่โดยรอบ ด้วยกลิ่นดอกไม้อันหนึ่งในที่ใกล้อาสมนั้นก็มีฝูงวิหกคือพวกนกเป็นอันมากมีสีสันต่างต่างกันบันเทิงอยู่กับคู่ของตนของตนร่ำร้องขานกะกันและกันมีฝูงนกอยู่สี่ฝูงนี่นะนกเนี่ยเขามีอยู่สี่ฝูงใหญ่ๆก็คือทำรังอยู่ใกล้สะบกคารณีฝูงที่หนึ่งเรียกว่า น, นันทิกา นกนันทิกานี่คือหมูนกประเภทย่อมร้องทูลเชิญพระเวสสันดรให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่า น, นะเป็นฝูงที่เพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในป่านะหมู่ที่สองเขาเรียกว่าชีวปุตตาเนี่ยนะพวกฝูงที่สองเนี่ยนะย่อมร่ำร้องถวายพระพรให้พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดา ม, มหสีจงมีพระชนยืนนานด้วยความสุขสําราญ น, นะเขาบอกมีบุญมากนะขนาดนกยังมาร้องให้พรเ น, นี่ยนะ เกว่าฝูงที่สามชื่อว่าชีวะปุตตาปิยาจโนย่อมร่ำร้องถวายพระพรให้พระเวสสันดรพร้อมทั้งพระโอรสพธิดามเหสีผู้เป็นที่รักของพระองค์เนี่ยนะจงทรงพระสําสราญมีพระชนมายุยืนนานไม่มีค่าศึกศัตรูเป็นนกที่มาร้องเจริญเมตตาให้นั่นแหละ ส่วนมูที่สีก็เป็นปิยาปุตตาปิยานันธาย่อมร่ำร้องถวายพระพรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่รักของพระองค์ขอพระองค์จงเป็นที่รักของพระโอรสและพระมเหสีจงชื่นชมโสมนัสต่อกันและกันนะเป็นนกมาวยชัยให้พร น, นะนะ คไม้เราระเบียบดอกไม้ที่ช่างร้อยกรองตั้งไว้ปรากฏเหมือนกับยอดธงวิจิตรไปด้วยปุกผาชาติพันธ์ต่างๆเหมือนคนฉลาดเก็บมาร้อยกรองเอาไว้ซึ่งเป็นที่ประทับแห่งพระราชาเวสันดรพร้อมด้วยพระมัสสีราชเทวีทั้งพระชาลีและพระกันหาชินาทรงเพศบรรปิชิตอันประเสริฐและขอสําหรับสอยพลาผลภาชนะสําหรับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้งชดา หนังเสือเหลืองเป็นภูสาทรงบันทมเนื้อแผ่นดินทรงน้ำมัศการเพลิงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดพูดถึงในพาพรา์เจตบุตรเล่าถึงสถานที่ที่อยู่ของพระเวสสันดรให้มหาพรามฟังนะมหาพรามก็คือชูชกของเรานี่แหละนะะอดีตชาติของหลวงพ่อพระเทวทัต ทีนี้ในพรานเจตบทพอแจ้งที่อยู่อย่างนี้แหละชูชกก็ม่ดีใจมากเลยนะแมมีคนชี้ทางให้แล้วว่งดีใจมากเออนี่ศัตรูผงอันรคนด้วยน้ํำผึ้งและศัตรูก้อนมีรสหวานอร่อยของลุงนี่อมิตรตาปนาจัดแจงให้แล้วลุงจะแบ่งให้แกเจ้าว่างั้นนะก็เอออยู่ป่ามานานกินอาหารเมืองบ้างนะก็เลยแบ่งอาหารให้เขาสักหน่อยนะอมิตรตาปนาเนี่ก็จัดอาหารให้ชูชกมาเป็นอย่างดีใช่ไหมเป็นสเสบียงทางนี่ ในพรานเจตบุตรฟังดังนั้นก็บอกว่าข้าแต่ท่านพราม์จงเอาไว้เป็นสเสบียงทางของลุงเธอข้าพเจ้าไม่ต้องการสเสบียงทางขอเชิญท่านรับน้ํำพึ่งกับขาเนื้อย่างจากสํานักของข้านี้เอาไปเป็นสเสบียงทางขอให้ลุงไปตามสบายเธอทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวมาตามทางนี้ตรงไปสู่อาศมอัจจุตระรือศีอ จ, จุตระรือศีอยู่ในอาศมนั้นก็มีฟันเคลบทุลีบนศีรษะทรงเพศเป็นพรามเนี่ยนะแสดงว่ารือศีก็ไม่ค่อยอาบน้ําเท่าไหร่ ฤศีนี้ก็มีขอสําหรับสอยพลาผลภาชนะสําหรับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้งชดาครองหนังเสือเหลืองนอนเนื้อแผ่นดินน้ำมัศการเพลิงลงไปถึงแล้วก็ถามท่านเถอดท่านจะบอกทางให้แกลุงนะก็ส่งต่อไปนะเดินไปตรงนี้แหละจะไปถึงที่อยู่ของอัจจุตารือศีอ จ, จุตารืีก็อ ด, ดีตชาติของภาษารีบุตรเนี่ยนะภาษารีบุตรนั้นบวชติดกัน500ชาติเนี่ยนะบวชเป็นฤศีเนี่ยนะติดติดตด ต, ดติดกันมา500ชาติ ก่อนจะมาชาติเป็นภาษารีบุดแล้วก็ไปถึงไปถามท่านนะท่านจะบอกทางให้ชูชกผู้เป็นเผ่าพันธุ์พราม์ได้ฟังคำอย่างนั้นก็ทำประทักสินเจตบุตรมีจิตยินดีเดินไปยังสถานที่อจุตตะรือีอันนี้ก็เป็นข้อความทั้งหมดในจุลพลจุลพลหรือจุลวนาเนี่ยนะหรือว่าพูดถึงป่าเนี่ยใ ห, ให้ชูชกฟัง